ท่านสมณผู้มีอายุข้าพเจ้าพูดขึ้นคำพูดของท่านที่ตอบมารดาบิดานั้นคงทําให้ท่านตื้นตันใจจนมีน้ําตาไหลออกมาเออเบ้าตาพ่อแม่ไม่ค่อยจะได้ยินคําอย่างนี้จากเด็กๆบ่อยนักเด็กส่วนมากมักถือเอาความผิดพลาดเสียหายเพียงเล็กน้อยของมารดาบิดาครูอาจารย์มหักลบคุณส่วนใหญ่ของท่านเสียซึ่งมีลักษณะคล้ายคนโง่ นำแผ่นกระดาษมาปิดท้องฝ้าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยท่านเป็นผู้มีแววเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกระตันอยู่มาตั้งแต่อายุอย่างยาวแล้วเล่าต่อไปเถิดท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าอยากฟังต่อมาเมื่อข้าพเจ้าอายุ16ปีมารดาบิดาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งข้าพเจ้าไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเรียนอย่างเด็กยากจน บิดาของข้าพเจ้าแม้จะเป็นเพียงคนรับจ้างเลี้ยงโคที่จนๆคนหนึ่งเท่านั้นก็ตามแต่ท่านเข้าใจปรัชญาชีวิตดีพอใช้ท่านพูดว่าลูกรักพอเคยได้ฟังมาว่าบิดาชื่อว่าเป็นศัตรูมารดาชื่อว่าเป็นภัยรีเพราะมิให้บุตรได้ศึกษาเล่าเรียนเขาย่อมขาดความสง่างามในท่ากลางประชุมเหมือนนกกระยางในฝูงหง กุลบุตรผู้ใดถึงพร้อมด้วยคุณสี่ประการคือปรีชาเพลิงปราดในศิลปศาสตร์หนึ่งได้เล่าเรียนรู้พระคำพีหนึ่งมีกิติศัพท์เล่าหือว่าดีหนึ่งได้ก่อสร้างสังสมบุญไว้หนึ่งกุลบุตรผู้นั้นเป็นบุตรอย่างดีสามารถให้ตระกูลเจริญได้อีกประการหนึ่งเล่าเหตุที่จะมอบความสุขให้แก่มนุษย์ทั้งหลายมีอยู่6ประการ คือมีพัญญาเป็นที่รักเห็นใจหนึ่งมีบุตรดีสามารถสืบบงให้เจริญหนึ่งมีทรัพสมบัติมากหนึ่งมีปัญญาเฉลียวฉลาดหนึ่งถึงพร้อมด้วยเกียรติศัพท์เกียรติคุณหนึ่งโรคภัยไม่เบียดเบียนหนึ่งเหตุ6กประการนี้แหละเป็นเครื่องมอบความสุขให้แก่มนุษย์อันหนึ่งบุตทั้งหลายต้องประกอบตนให้สมบูรณ์ด้วยคุณสประการคือมีสติหนึ่ง มีปัญญาหนึ่งมีความเพียรหนึ่งคุณทั้งสามประการนี้จะต้องให้มีไว้ในตนจึงจะชอบจะคอยว่าสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมนั้นไม่ได้ลูกรักโดยเฉพาะความเพียร น, นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลพึงประกอบความสำเร็จจะมีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านมิได้เลยพ่ออยากให้เจ้าสแสวงหาปัญญาไว้ในตัวเจ้าทรัพย์คือปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งปวง เพราะเมื่อมีแล้วจะแจกจ่ายให้คนอื่นก็ไม่รู้จักหมดสิน้นใครจะมาปล้นช่วงชิงไปก็ไม่ได้อันตรายต่างๆมาเบียดเบียนก็ไม่พินาศและด้วยซั์คือปัญญานี่เองเจ้าจะสามารถพรดุงตระกูลของเราให้ดีขึ้นสำหรับพ่อนั้นสายเสียแล้วขอให้ลูกยาลำบากอย่างพ่อเลยไปตายเอาดาบหน้าลูกรักถ้าไม่ตายคงได้ดี ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นดีเห็นงามในคําสอนของบิดาแต่ยังเป็นห่วงอะไรในท่านและมารดาพร้อมทั้งพี่สาวมายุสาด้วยข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าไปเสียแล้วใครจะช่วยเลี้ยงโคของบิดาและใครจะช่วยมารดาตักน้ําพาฟืนท่านทั้งสองพูดเกือบจะพร้อมกันว่าไม่เป็นไรพ่อและแม่ยังมีมายุสาอีกคนหนึ่ง พอจะช่วยทําอะไรต่างๆได้ขอให้ลูกเดินทางไปตักกศิลากับมูกเกวียนซึ่งจะเดินทางไปเนรเร็ววันนี้ในที่สุดวันกําหนดออกเดินทางไปเมืองตักกศิลาก็มาถึงขพเจ้าตื่นนอนแต่เช้าตรู่และจัดแจงเตรียมตัวออกเดินทางมารดาบิดาและพี่มายุสาได้ช่วยจัดนั่นจัดนี่เล็กๆน้อยๆให้ติดตัวไป มายุสาร้องไห้เพราะเราทั้งสองเคยอยู่ด้วยกันมาแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยแยกกันเลยบิดาได้นำข้าพเจ้ามาส่งที่หมู่เกวียนซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วมารดาพี่สาวได้มาส่งข้าพเจ้าด้วยหลังจากเราได้ล่าลากันอย่างอะไรอววรแล้วบิดาก็นำข้าพเจ้าไปมอบกับพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของท่านกองเกวียน ก็ออกเดินทางทากลางเสียงร้องไห้สอุบสอื้นและเสียงอวยพรของผู้มาส่งจากราชคลืสู่ตักกศิลาเมืองแห่งศิลปศาสตร์ขพไปเจ้ารอนแรมมาหลายราตรีในที่สุดก็มาถึงกรุงตักกศิลาสมความมุ่งหมายเป็นโชคดีเหลือเกินในการเดินทางครั้งนี้ไม่มีอันตรายใดๆในระหว่างทางเลยท่านผู้เจริญ ประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาบวชแล้วและได้ศึกษาพระพุทธคุณข้อว่าพระองค์ทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือพระองค์เป็นเหมือนสัตธวาหะคือในกองเกวียนผู้ฉลาดสามารถนำพุทธบริษัทให้พ้นจากกันดาลต่างๆและภัยต่างๆมีภัยเพราะความแก่ความเกิดและความตายเป็นต้นแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจได้ตลอดการเดินทางฤรืเกวียนนั้นในกองเกวียนหรือหัวหน้าผู้นํากองเกวียนไปนั้นเป็นบุคคลสําคัญที่สุดมูเกวียนจะปลอดภัยหรือประสบอันตรายจะเอาตัวรอดได้ด้วยความรู้ความชํานาญของนายกองเกวียนนี้ในศาสนาศาสดาเป็นผู้สําคัญที่สุดเป็นผู้อันศาสนิกจะต้องดําเนินตามถ้าศาสนาชี้ทางไว้ผิดศาสนิก ยมจะต้องเดินทางผิดอย่างแน่นอนพระผู้มีพระภาคเคยทรงตําหนิศาสดาบางคนผู้มีวาทะว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วบุญไม่มีบาปไม่มีว่าเป็นเหมือนบุคคลผู้ขุดบ่อล่อปลาศาสดาเช่นนั้นย่อมประสบบาปเป็นอันมากเขานําบุคคลไปสู่ท่าที่ผิดพราดาอุปมาเหมือนโคนายฝูง เมื่อ น, นำหมูโคข้ามฝั่งในคราวน้ำหลากท่านนำขึ้นผิดท่าขึ้นไม่ถูกโคทั้งหลายมีลูกโคเป็นต้นก็จะถูกน้ำพัดผ่าให้จมตายหมดฉันใดผู้นำหมูนำคณนะตั้งแต่หมูเล็กๆไปจนถึงหมูใหญ่ตลอดถึงศาสดาผู้ประกาศลัทธิต่างๆก็ฉันนั้นเขาเป็นเหมือนโคนายฝูงถ้าเดินตรงลูกฝูงก็เดินตรงถ้าเดินคดเขียว ลูกฝูงก็พลอยคดเคี้ยวไปด้วยถ้านำไปสู่ทิศทางที่ถูกหมู่คณะก็เจริญถ้านำไปสู่ทิศทางที่ผิดหมู่คณะก็เสื่อม พระเจ้าเข้าฝากตัวกับอาจารย์ผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่งนักเรียนที่ไปศึกษาในสำนักตะกศิลานั้นมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเป็นนักศึกษาที่มีฐานะดีมาจากตระกูลที่มั่งคั่งพวกนี้เสียเงินให้อาจารย์เป็นค่าเล่าเรียนแล้วไม่ต้องทํางานอะไรเรียนอย่างเดียวและเมื่อว่างจากเวลาเรียนแล้วก็เป็นเวลาของตัวจะเที่ยวเตรหาความสนุกสนานอะไรบ้างก็ได้ จะจับกลุ่มการสนทนาเรื่องต่างๆแบบคนหนุ่มๆบ้างก็ไม่เป็นไรนักศึกษาประเภทนี้ส่วนมากเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลและโอรสแห่งกษัตริย์นครใดนครหนึ่งอีประเภทหนึ่งเป็นนักศึกษาประเภทยากจนอย่างข้าพเจ้าอยู่ในประเภทหลังนี้พวกข้าพเจ้าต้องทำงานทุกอย่างเท่าที่จำเป็นและแล้วแต่อาจารย์จะใช้มีตักน้าหาฟืนพาฟืน นวดฟันอาจารย์เมื่อท่านเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นแต่นักศึกษาประเภทข้าพเจ้านี้ได้กําไรในการศึกษากว่าประเภทที่ร่รํารวยอยู่หลายอย่างอาทิเช่นได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดอาจารย์เสมอมีนักปรารถนาชบัณฑิตไปมาหาสู่อาจารย์และสนทนากันในทางวิชาการเสมอๆพวกเราได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องประดับความรู้ในขณะที่ปฏิบัติอาจารย์ ท่านมักจะมีเรื่องประสบการณ์ในชีวิตและความรู้เบ็ดตเตล็ดมาเล่าสู่พวกเราฟังอันหนึ่งสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดย่อมมีโอกาสทําให้ท่านรักได้มากกว่าคนที่อยู่ห่างท่านผู้เจริญที่สําคัญที่สุดตามความเข้าใจของข้าพเจ้านั้นคือข้าพเจ้าถือเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐที่ได้มีโอกาสปฏิบัติอาจารย์อย่างใกล้ชิดเมื่ออาจารย์ใช้และต้องการอะไร ข้าพเจ้าทำให้ท่านด้วยความเต็มใจนอกจากถือว่าเป็นหน้าที่แล้วข้าพเจ้าถือว่าเป็นบุญอีกด้วยและอาศัยบุญอันนี้เป็นพาหะจะสามารถทำให้ข้าพเจ้าศึกษาวิชาสำเร็จตามประสงค์ข้าพเจ้าต้มน้าให้ท่านอาบในหน้าหนาวนวดฝันเมื่อท่านเมื่อยรักษาพยาบาลเมื่อท่านเจ็บไข้ไม่เคยเบื่อหน่ายเลยอาจารย์เป็นคนใจดีและมีภูมิธรมสูงเหลือเกิน คำพูดของท่านแต่ละประโยคเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระบทเรียนบทแรกที่อาจารย์ให้แกข้าพเจ้ามีใจความว่าคนผ่านผู้หาปัญญามิได้มักปล่อยให้เวลาล่วงไปด้วยเฮสีประการคือกล่าวถ้อยคำทุกภาสิทธคำเหลวไหลหาประโยชน์มิได้หนึ่งพอใจแต่ในการนอนหลับหนึ่งมักเพิดเพลินในการเล่นหนึ่ง ชอบทะเลาะวิวาททุ่มเทียงกับผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงหนึ่งส่วนบัณฑิตนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามคือกล่าวแต่คำสุภาษิตมีประโยชน์ให้เวลาล่วงไปด้วยการศึกษาหาความรู้ประกอบกิจที่เป็นประโยชน์ไม่พอใจในการนอนหลับมากเกินควรไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเทียงกับใครมีแต่ชักนำบุคคลให้ปรองดองสามัคคีกัน ท่านพู้เจริญโอวาทของอาจารย์บทแรกนี้ข้าพเจ้าชอบใจยิ่งนักและพยายามปฏิบัติตามอยู่เสมอในที่สุดข้าพเจ้าก็เป็นที่รักของท่านอาจารย์เป็นพิเศษยิ่งกว่าสิทธิ์อื่นๆแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมตัวพยายามเตรียมกายเตรียมใจอยู่เสมอข้าพเจ้าประจักษ์ดีว่าความทนงลืมตัวนั้นเป็นทางก้าวไปสู่หายานะเป็นสาเหตุ แห่งความเกลียดชังของเพื่อนฝูงมีบุคคลเป็นจํานวนมากเมื่อผู้ใหญ่รักและโปรดปรานแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนเท้าไม่ถึงดินท่านผู้เจริญได้มีบุคคลบางคนยืนโหนตัวอยู่กับต้นไม้ใหญ่โดยที่เท้าไม่แตะต้องดินและเขาจะอยู่ได้นานสักเท่าใดข้าพเจ้าอวุโสเขาจะอยู่ได้นานไม่ได้เลยเมื่อเมื่อย ม, มือ เขาก็จะต้องปล่อยและตกลงมาสู่พื้นดินพระสุมณะท่านพู้เจริญข้อนี้มีอุปมาชั้นใดบุคคลผู้อันผู้ใหญ่ยกย่องโปรดปลาแล้วลืมตัวดูถูกเหยียดหยามเพื่อนฝูงและผู้มีศักดิ์เสมอกันหรือผู้มีศักดิ์น้อยกว่าตนก็ฉันนั้นเขาจะไม่สามารถครองความเป็นใหญ่อยู่ได้นานเลยการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม ย่อมเป็นปากทางเห็นความเสื่อมทั้งสิ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้กระด้างเพราะวัยสมบัติกระด้างเพราะมีทรัพย์มากกระด้างเพราะโคตรตระกูลสูงและดูหมิน ญ, ญาติของตนนั่นเป็นทางเดินของผู้เสื่อมข้าแต่ท่านผู้บิงเพนพรตในเพราะการถือดีเพราะโคตรบงถือว่าตระกูลของตนดีกว่าของคนอื่น แล้วเหยียดยามเขาประกอบกรรมอันมิชอบด้วยครองธรรมและเหตุผลนั่นเองที่ทำให้ักยวงศ์เกือบจะสิ้นสูญพงผันในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคนั่นแลเหตุการณ์อันสยองได้เกิดขึ้นแ ก, ก่กษัตริย์สกเยวงศ์พระญาติของพระบรมศาสดาโดยที่กษัตริย์เหล่านั้นถูกพระเจ้าวิถูเถพะประหารเสียหมดสิน้นไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กาลังดื่มนม และหญิงมีคันนอกจากเท้ามหานามาสากยะเท่านั้นที่เหลืออยู่นับถอยหลังไปจากเหตุการณ์นี้เล็กน้อยพระเจ้าประเสณทิกษัตริย์แห่งแคว้นโกสนซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีมีพระประสงค์จะได้ราชธิดาแห่งวงสักยะองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีทั้งนี้ด้วยพระประสงค์ที่จะทำพระองค์ให้มีความสัมพันธ์ กับพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระพิสุสงซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์จะได้มีความสนิทสนมในพระองค์เหมือนให้ความคุ้นเคยกับนางวิสาขาหรืออนาถบินธิกะเศรษฐีด้วยประการฉนี้โอรสแห่งพระเจ้ามหาโกศลจึงสมพระราชสารไปยังกรุงกระบินพั์เมื่อได้รับพระราชสารแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ท้าวมหานามะผู้เป็นใหญ่ในศักยบอ์ก็ให้ประชุมบรรดาพระประยุริญาธทั้งหมดปรึกษากันว่าควรจะส่งราชธิดาไปถวายพระเจ้าเปรสันทิหรือไม่กษัตริย์ศากยาบอ์ทั้งหมดมีความเห็นว่าสากยาบองเป็นวงที่ประเสริฐบริสุทธิ์สืบเนื่องกันลงมาหลายชั่วบรรพบุรุษไม่ควรจะแปดเปื้อนด้วยสายโลหิตแห่งวงอื่นแต่ครั้นจะไม่ถวายพระราชธิดาหรือใครๆไปเลย เป็นการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนั้นจะทำให้พระจพเจ้าเปเสนธิส่งพระพิโรธและอาจใช้พระราชอำนาจทำลายล้างสากยวงศ์ได้จึงตกลงใช้อุบายวิธีย้อแมวขายคือจะส่งทิดาเท้ามหานามะซึ่งเกิดจากทาสีไปถวายพร ะ, จพระเจ้าเปเสนธิแล้วส่งพระราชสารต่อไปยังกรุงสาบัตถีให้กำหนดวันมารับราชธิดา พ, าพระเจ้าเปเสนธิ ทรงปราบปรื้มพระไทยรีบส่งทูตไปรับและรับสั่งว่าให้นําพระราชธิดาที่เสวยในภาชนะเดียวกันหรือในที่แห่งเดียวกันกับท้ามหานามะทั้งนี้เพราะกษัตริย์ทั้งหลายมีมายามากอาจจะส่งทาสีหรือบุตรีแห่งทาสีมาก็ได้เมื่อทูตไปกราบทูลท้ามหานามะแล้วพระองค์ก็ให้ตกแต่งนางวสภคติยาแล้วทําอาการเหมือนเสวยร่วมกัน ให้ปรากฏแก่ตาราชทูตแล้วส่งนางไปพระเจ้าเะเสนทิส่งต้อนรับนางวาสพคติยาด้วยยศใหญ่ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งมเหสีของพระองค์ต่อมาพระนามประสูรพระราชโอรสมีผิวพรรณและลักษณะงดงามแบบกระสัตรทรงพระนามว่าวิทูธภพรราชกุมารได้รับการเลี้ยงดูแบบกระสัตร แต่ไม่เคยมีพระญาติฝ่ายพระมารดาส่งของขวัญหรืออะไรอะไรมาถวายพระองค์เลยเมื่อถึงวันสำคัญสำคัญพระญาติของกุมารอื่นๆเคยส่งมาให้บุตรหลานของตนแต่วิถูเถพระไม่เคยได้รับทรงแปลกพไทยเคยทูลถามพระมารดาถึงเรื่องนี้พระมารดาตอบว่าพระญาติของลูกอยู่ไกลไม่สามารถส่งของขวัญมาเยี่ยมลูกในวันเทศกาลต่างๆได้ ต่อมาพระราชกุมารเสด็จไปกรุงกบิลพัทเพื่อยี่ยมเยียนพระเจ้าตาและพระเจ้ายายทางกรุงกบิลพัทต้ตอนรับอย่างเสียมิได้เพราะเหยียดว่าราชกุมารเป็นบุตรของทาสีจัดการสรงกุมารที่พระชนมายุน้อยกว่าเจ้าชายวิทูตภะไปยังชนบทเสียชั่วคราวเหลือไว้แต่คนแก่แกให้ราชกุมารทำความเคารพเจ้าชายวิทูตภะ สมประหลาดพระไทยที่มีแต่บุคคลซึ่งตนต้องเคารพไม่มีใครเลยมาทำความเคารพตนแต่ก็ทรงอดพระไทยมิได้ตราดอะไรเลยเมื่อประทับอยู่พอสมควรแก่พระอัจยาิสายแล้วก็เสด็จกลับกรุงสาวัตถีข้าแต่ท่านผู้สงบในพรมจรรย์สาเหตุที่จะให้เกิดเรื่องใหญ่ก็คือในขณะที่โอรสแห่งพระนางวาสภคติยา เสด็จอยู่ในระหว่างทางแวดล้อมไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่นั่นเองนายทหารคนหนึ่งลืมดาบไว้นะที่ประทับจึงรีบวิ่งกลับไปเอาเขาได้เห็นทาสีคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดแผ่นกระดานที่เจ้าชายประทับเทราด้วยน้ำนมสดแล้วเช็ดถูปาก็พร่ำบนดายังซื้อเสียว่าไอ้วิทุทภะมาแล้วทำให้เราลำบากมันเป็นลูกของทาสี เป็นจันทานมานั่งลงบนแผ่นกระดานทำให้เสียดจันไาลติดอยู่เราต้องเอาน้ำนมมารดราดแล้วเช็ดถูนายทหารอะไรแม่ทาสีกำลังด่าใครนะ่ะทาสีก็ดานายของแกนะสินายของข้าน่ะใครวิถูทพะไงละ่ะแล้วไปด่าท่านทำไมท่านมาทำอะไรให้แกลำบากทำอะไรฮ ก็เขาเป็นลูกทาสีเป็นจันทานมานั่งที่นี่เป็นอัปมงคลข้าต้องล้างด้วยน้ำนมสดรู้ไหมนี่แม่ทาสีแกเป็นบ้าหรือเปล่านะ่ะหรือเรากําลังคุยกับคนบ้าก็ไม่รู้นายทหารปรารบกับตัวเองฉันไม่เป็นบ้าแกนั่นแหละเป็นบ้าเฉยที่อยู่ตามหลังอยู่ได้ก็นางวสภคติยานะ่ะใครรู้ไหมพ่อนัครบ พระนางก็เป็นพระราชธิดาของท้ามหานามะผู้เป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รึเออข้าจะเป็นลมแล้วแกไปตายสิเถิดก็นางวาสภคติยานะ่ะเป็นลูกทาสีในเมืองกบิลพัทเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแกเห็นไหมวิถุถภามาที่นี่น่ะมีใครไหว้แกมั่งโถเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้น่าสงสารไม่มีใครไหว้ตัวเลย หลักฐานพยานตอนนี้เองยันให้นายทหารผู้นั้นเชื่อว่าเจ้าชายวิถูพะเป็นบุตรของทาสีจริงเมื่อเขาวิ่กลับมาถึงกองทัพก็กระซิบกระซาบบอกเพื่อนทหารด้วยกันว่าเจ้าชายวิถูพะเป็นโอรสของทาสีเสียงกระซิบกระซาบต่อๆกันไปอื้ออึงไปทั้งกองทัพพอทราบถึงเจ้าชายพระองค์ได้ทรงทราบถึงพฤติการของพวกศักระ ที่ใช้น้ำนมสดราดพื้นที่พระองค์ประทับอีกด้วยโอรสแห่งพระนางวาสภคติยาเหลือที่จะอดต่อการถูกเหยียดหยามถึงปานนั้นได้ทรงปฏิ ญ, ญาต่อหน้านายทหารทั้งหลายในที่นั้นว่าเอาเถอะครั้งนี้พวกสกยะได้ใช้น้ำนมสดราดพื้นที่เรานั่งก่อนต่อไปภายหน้าถ้าเราได้เป็นยายนิแผ่นดิน จะกลับมาเอาเลือดในลําคอของพวกนั้นราดรถพื้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัชทายาทเห็นแคว้นโกศล สเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วความจริงอันนี้ก็ทราบถึงพระเจ้าประศนทิส่งพระพิโรธยิ่งนักถอดพระนาวาสภคติยาออกจากตําแหน่งมเหสีถอดพิถูตภะออกจากตําแหน่งราชทายาทไม่ให้การบํารุงเลี้ยงอย่างเก่าพระองค์สเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณวิหารเชตวันทูลพระพุทธองค์ด้วยความน้อยพระไยว่าพระเจ้าข้า พญาติของพระองค์ไม่น่าจะกระทำกับหม่อมฉันอย่างนี้เลยทรงธิดาซึ่งเกิดจากทาสีมาถวายให้เป็นมเหสีเสื่อมเสียอย่างที่สุดจริงมหาบพิษพระาศาสดาตรัสพระญาติของอาตมาภาพไม่น่าทำอย่างนี้แก่พระองค์เลยไม่น่าเลยมหาบพิษกษัตริย์สากะยะทรงกระทำกรรมอันไม่สมควรเลยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์มหาศาล ควรที่จะส่งพระราชธิดาซึ่งเกิดจากนางกษัตริ์มัทวายจึงจะเหมาะพระพุทธดำรัสนี้ทำให้พระเจ้าเะเสนทิลดพระอาการน้อยพระไทยผสมความกลี้วลงได้บ้างแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปโดยการยกประวัติศาสตร์มาเป็นเครื่องอ้างว่ามหาบพิตรแต่นั่นแหละตระกูลทางมารดานะไม่สู้สำคัญมิใช่หรือที่สาคัญคือทางฝ่ายบิดา ดูแต่กษัตริย์กัทวาหันะผู้ยิ่งใหญ่เถิดมีพระมารดาเป็นหญิงหักฟืนแท้ๆเพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าได้ทรงร้อนพระไทยเลยมหาบพิตรด้วยพระดำรัสปรอประโลมอันแพลว์พรวด้วยเหตุผลของพระบรมศาสดานี้พระเจ้าระเสนทิทรงคลายพระพิโรธและทรงเห็นจริงตามพระพุทธดำรัสอีกประการหนึ่งเล่าทรงเห็นว่าเรื่องก็แล้วไปแล้ว ทั้งพระนางวาสภคติยาและวิทูธภะก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์มิได้เสื่อมคลายเรื่องทั้งหลายมิได้เป็นความผิดของแม่ลูกคู่นี้เลยจึงทรงสถาปนาพระนางวาสภาคติยาและพระโอรสไว้ในตำแหน่งเดิมท่านผู้เจริญพระบรมศาสดานั้นจะมิใช่จะทรงสงเคราะห์บุคคลแต่เพียงด้วยประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานเท่านั้น พระองค์ทรงสงเคราะห์แม้ด้วยประโยชน์อันเป็นปัจจุบันดังเรื่องที่กล่าวมานี้ต่อมาเจ้าชายวิถุดพะได้เป็นกษัตริย์แห่งแควนโกศลโดยมีทีฆะการณะมหาอมาตย์ช่วยหยิบยื่นให้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังในภายหลังในตอนนี้ขอให้ติดตามเรื่องของเจ้าชายผู้ถูกศพประมาทอย่างรุนแรงก่อน เมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วและพระเจ้าประสเสนทิสวรรคตแล้วที่หน้าเมืองะะราชคลึกกษัตริย์หนุ่มผู้อันความข้างแขนคอยเตือนอยู่เสมอก็กรีธาทัพอันทรงพลังมุ่งสู่สักกะชนบทเพื่อขยี้สกยบงให้แหลกลานพระบรมศาสดาเสด็จไปนั่งอยู่ที่พรมแดนระหว่างสาวัตถีและสกกะถึงสามครั้งเพื่อทรงป้องกันพระญาติมิให้ถูกทำร้าย พระเจ้าวิถูธถพะเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดาประทับนั่งณนะเงาไม้โปร่งณนะแดนกบิลพัทตรัสถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ประทับณร่มไม้อันมีเงาคลึมทางแดนแห่งสาวัตถีพระองค์ตรัสตอบว่ามหาบพิตรร่มเงาของพระญาตินั้นเย็นสบายเจ้าชายทรงทราบโดยในว่า พระพุทธองค์มีพระประสงค์จะคุ้มครองพระญาติจึงยกทัพกลับในวาระที่สพระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงกรรมของสกยวงศ์ที่เคยทำร่วมกันมาโดยเคยเอายาพิษใส่ลงไปในแม่น้ำปลาทั้งหลายพากันตายด้วยยาพิษนั้นจึงไม่เสด็จไปณแดนกบิลพัทอีกพระเจ้าวิถูตพระจึงกรีธาทัพเข้าเยียบนครแห่งสกยวงศ์ฆ่าจนหมดสิ้น ไม่เว้นแม้แต่เด็กอยู่ในเปลและหญิงมีคันดังกล่าวแล้วเมื่อสมพระไทยที่ข้างแค้นมานานแล้วโอรสแห่งพระเจ้าประสิทิที่ก็ยกทัพกลับ พักค่ายอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำอจิระวดีมีบริวาร น, นอนกันอยู่เป็นสองพวกพวกหนึ่งนอนบนฝั่งอีกพวกหนึ่งนอนบนหาดทรายเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพวกที่นอนบนหาดทรายซึ่งเคยทำกรรมไว้ถูกน้ำหลากมาในทันทีทันใดพัดผาเอาจมน้ำตายหมดรวมทั้งเจ้าชายวิถูภะด้วยท่านผู้เจริญ ในที่สุดทั้งกษัตริย์สากยะและวิถูตภพักุมาณก็พากันตายไปทั้งหมดไม่มีใครได้ดีเลยผลแห่งการเหยียดหยามผู้อื่นและการแก้เวรด้วยการจองเวรอันผู้สนใจพึงดูได้จากเรื่องดังกล่าวแล้ว